บูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพระเทียนหลวงพ่อกำเขียนถวายความกรุบมายังพระอาจารย์ไปสารครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังไม่ชีแล้วก็คุบาสุคุบาศิกาทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนะเวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่21สหนึ่งกันยายน พุทธศักราช 2,158 นะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาร่วมกันนะทำกิจวัตรนะประจำวันของวัดป่าสุกโตนะก็มียาตโยนะที่บ้านใหม่นะมาร่วม เ, เรียกว่ามาเข้าอุโบสถนะในวันพระนะก็เป็นเรื่องที่น่านะ้ ม, มนา เ, เมื่อเราดูช่วงเวลาเนี่ยนะจากนี้ไปก็น่าจะเดือนเสร็จๆนะก็จะออกพรรษาแล้วนะก็ว่าไปแล้วเวลาเนี่ยค่อนข้างจะไปไวนะสําหรับบางคนนะหรือบางคนอาจจะรู้สึกวนช้านะนะสองเดือนผ่านไปแล้วเลยเดือนเสร็จๆนะก็จะออกพรรษาแล้วนะก็หลายคนนะก็ตั้งใจ ในในการที่จะใช้เวลาในการเข้าพรรษาเนี่ยในการฝึกฝนตนเองในในการที่จะลดละสิ่งที่เราเคยยึดเคยติดนะอย่างเช่นความสะดวกสบายนะหรือว่ า, าบรุรีอย่าเสพติดนะตอนนี้ก็ทราบว่ามีบางส่วนนะที่เขาพยายามนะที่จะลดละเลิกนะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าโน้มนา อย่างน้อยๆเรามาอยู่จำพรรษาด้วยกันจะได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองนะครับว่าศึกษาหรือศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่การได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจำเท่านั้นแต่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปทำให้เกิดผลนะจึงจะเรียกว่าเป็นศิกขาที่แท้จริงนะถ้าเราได้ยินได้ฟังจดจาไป เอาไปพูดไปคุยอันนี้ก็ยังถือว่าไม่สมบูรณ์นะต้องเอาไปปฏิบัตินะแล้วก็ให้เกิดผลผลที่เกิดคืออะไรนะก็คือการที่เราเป็นอิสระอิสระจากสิ่งที่เราเคยติดเคยยึดนะที่ทำให้เราหนักนะทำให้เราเป็นทุกขนะ์ไม่ว่าจะติดอะไรก็แล้วแต่ละนะติดความสะดวกสบายนะติดการกินนะติดการ เล่นนะติดความคึกกระนองความสนุกสนานนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็บางทีมันก็ทําให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะ <c oughs> มันเพลินไปนะเราไม่รู้ตัวนะแล้วเราก็พยายามสแสวงหานะความสุขสนุกสนานนะซึ่งก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปคลายไปนะ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเราก็เลยไม่มีโอกาสเนาะ ที่จะได้สัมผัสกับความสุขที่มันมีอยู่แล้วในใจของเรานะก็คือความเป็นปกติของใจนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสนะสัมผัสกับความเป็นปกติของใจนะก็จะวิ่งหาความสุขจากข้างนอกเรื่อยไปนะหาความสุขจากกิจกรรมบ้างหาความสุขจากบุคคลบ้างหาความสุขจากข้าวของเครื่องใช้ต่างๆบ้าง นะเรียกว่าก็ต้องพึ่งนะสิ่งภายนอกอยู่ร่ําไปนะบางทีได้อย่างที่หวังนะก็สมใจมีความสุขมีความพอใจนะถ้าไม่ได้สิ่งที่ไม่สมหวังนะไม่ได้ดั่งใจนะก็รู้สึกขัดใจรู้สึกไม่พอใจนะเรียกว่าชีวิตเนี่ยยังต้องสุขสุขทุกทุกนะลุ่มลุ่มดอนดอ น, ดอนนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ นะเรียกว่าต้องเสพติดกับความสุขที่ได้จากสิ่งภายนอกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูให้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นเป็นชีวิตที่เหน็ดเหนื่อยนะเจียดต้องวิ่งไขว์คว้านะหาความสุขสนุกสนานกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งทีนี้ถ้าเรากลับมานะมาสัมผัสนะกับความสุขที่เป็นปกติในใจได้เนี่ยนะมันก็จะวิ่งหาความสุขจากข้างนอกน้อยลง นะสิ่งที่เรากินเราเสพนะหรือสิ่งที่เราต้องสัมผัสเรากา็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอดีนะอาการกินก็กินพอเหมาะพอดีการสันทนาการก็พอเหมาะพอดีการใช้ชีวิตก็พอเหมาะพอดีนะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เกิดจากผลจากการที่เราฝึกฝนนะตัวเราเองนะการฝึกฝนนั้นนะก็อย่างที่เรา ได้ทำกันอยู่เป็นประจำแล้วนะก็คือการเจริญสตินะการฝึกกรรมฐานกด็ดนะีการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีก็ตามนะนี่เป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนะโดยเฉพาะมาที่วัดป่าสุกโตในช่วงที่ผ่านมาก็มีกลุ่มมาปฏิบัตินะหลายคนก็ศรัทธามานะมีบางส่วนก็หน่วยงานส่งมา คนที่ศรัทธามานี่ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจนะในการที่จะปฏิบัติส่วนหน่งานส่งมาเนี่ยก็มีทั้งศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ศรัทธานะตรงนี้ก็เลยบางทีก็เหนื่อยหน่อยนะสำหรับตัวเขาเองนะที่จะต้องมาปรับเนื้อปรับตัวนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามาทำอะไรนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ต้องใช้เวลาในการพูดการคุยนะการมาวัดป่าสุขโตเนี่ยบางคนมาเนี่ยนะ ตั้งใจจะมาปฏิบัตนะิตั้งใจจะมาเรียนรู้ตัวเองนะแต่ปไปไมาๆเนี่ยนะบางทีก็ไม่ได้ปฏิบัติหรอกก็ไปทํากิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้นะเพลินไปเพราะว่ามาปฏิบัติมันลาบากนะมันต้องฝืนความเคยชินเก่าๆนะบางทีทําได้วัน2วันก็หยุดแล้วนะไปหากิจกรรมอื่นทำนะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะไม่ใช่เป็นไม่เป็นประโยชน์ เพียงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันก็ได้ในระดับนั้นนะก็เรียกว่าในระดับที่เป็นการทำเพื่อส่วนรวมนะการมีความสุขนะจากการช่วยเหลือกิจการงานอันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่า <c oughs> การทำดีเนี่ยนะเราไม่ใช่พอใจเพียงแค่ความดีพื้นพื้นเท่านั้นนะเราควรจะทาความดีให้มันเหนือเหนือขึ้นไปนะก็คือการที่เรา สามารถที่จะเอาชนะนะความยากลำบากนะการที่ทำอะไระไปตามอำนาจของความอยากนะหรือความเคยชินเก่าๆนะยกตัวอย่างเช่นความง่วงอย่างเงี้ยนะความง่วงเนี่ยคนมาใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ง่วงทุกคนแะนะถ้าเราไม่ฝืนมันหรือไม่เรียนรู้มันนะก็ผ่านไม่ไดนะ้ส่วนใหญ่คนที่มาปฏิบัติเนี่ย ถ้าไม่มีกัลยะาณมิตร <c oughs> ไม่มีคนแนะนาส่วนใหญ่พอเจอความง่วงก็ถอยละยอมแพ้และนะตรงนี้ก็เป็นจุดจุดอันหนึง่งจุดอ่อนอันหนึง่งนะของคนที่มาปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วเจอความยากความลาบากความฟุ้งซ่านนะ <c oughs> ความหงุดหงิดลำคาญก็รู้สึกว่าเอ๊มันไม่ใช่ลรอมั้งอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราท้อแท้ท้อถอยนะไม่ปฏิบัติต่อ นะแล้วก็เลยไปหากิจกรรมอื่นทำนะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้พลาดโอกาสนะที่จะได้มาเรียนรู้นะเรื่องของกายเรื่องของใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มาเรียนรู้เรื่องนี้เนะี่ยเราจะไม่ได้สัมผัสอะไร ก, กับความสุขนะที่เป็นที่เป็นมีอยู่แล้วนะความสุขที่เกิดจากใจที่เป็นปกตนะิซึ่งมีอยู่แล้วนะซึ่งความสุขตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านนะ ผ่านอารมณ์ที่มันยากลำบากผ่านอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านความง่วงนะเรียกว่าเป็นตรงนี้อาตมาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นด่านกั้นนะเป็นก ล, ลวงของกิเลสที่มันจะไม่ให้ผ่านนะถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้นะเราก็ทะลุเข้าไปไม่ได้นะที่ไปสัมผัส ก, กับจิตที่เป็นปกตินะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในช่วงระยะเวลาหรืออีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะถ้า เ, เรายังไม่ได้มีโอกาสนะที่จะผ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็ขอให้เราตั้งความปรารถนาเถอนะกิจกรรมอื่นๆที่เป็นเรื่อง <c oughs> ภายนอกเนี่ยเราก็ก็คงยังต้องทำอยู่ลนะแต่ว่าอย่าไปทำทั้งวันเลยนะมีบางคนก็พยายามหากิจกรรมนู่นกิจกรรมนีนะ้แต่ว่าเวลาที่เราจะมาทำเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องการเจริญสติเนี่ยนะอาจจะน้อยเกินไป เดี๋ยวเราจะเสียดายเวลาเนาะออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวกลับไปนะเรายังทำกิจกรรมเหมือนเราเป็นอยู่ในสังคมข้างนอกนะเคยทำนูน่นทำนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีนะจิตใจก็ดียังเหมือนเดิมยังโกรธเหมือนเดิมยังหงุดหงิดเหมือนเดิมนะ หรือบางคนติดบุหรีก็ยังติดบุหรีเหมือนเดิมอันนี้มันก็เรื่องที่น่าเสียดายนะมาอยู่หนึ่งพรรษานะถ้าได้มีโอกาสนะในการที่จะละจะเลิกสิ่งที่เราเสพติดนะจะเป็นติดบุหรีก็ดีติดอารมณ์ต่างต่างก็ดีติดความคิดอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะถ้าเราสามารถที่จะปลดปล่อยนะให้ใจเราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้เนะี่ยมันก็คุ้มค่านะ กับการที่มาอยู่จำพรรษานะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นชีเป็นญาติโยมนะที่มาอยู่ปฏิบัติที่นี่นะตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราชีวิตของเราเมีคุณค่ามากขึ้นนะแล้วก็ชีวิตเราก็จะเป็นอิสระมากขึ้นนะตรงนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าที่จะได้ทำนะในช่วงเวลาที่เหลือนะถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรา หลงนะหลงไปในสิ่งเสพติดหรืออะไรต่างๆมากมายครั้งหนึ่งท่านอาจารย์พุทธทาส์นะเล่าให้ฟังว่ามีโยมคนหนึ่งนะเป็นโยมผู้ชายนะก็ไปไปพบท่านนะไปกราบท่านที่สวนโมกโยมผู้ชายคนนี้ก็น่าจะเออกลางอยู่ในวัยกลางคนนะนะก็ไปกราบอาจารย์พุทธทาสแล้วก็บอกว่า หลุงพ่อขอให้หลุงพ่อช่วยเป่ากระหม่อมให้หน่อยนะรู้สึกชีวิตไม่ค่อมีความสุขเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะอาจารย์พุทธะาาก็ดูหน้าตาของโยมคนนี้แล้วก็เออหน้าตามันดูเซียวเซียวนะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะท่านก็เลยถามว่าโยมโยมสูบบุหรี่หรเปล่า <c> เ <oughs> ขาบอกสูสบ่ะสูบบุหรี่โอ้อาจารย์พุทธะบอกโอ้ยคนเรามันมันมันโง่เนาะนะ เอาปอดดีๆเนี่ยนะไปลมควันร้อนๆนะแล้วก็ติดบุหรี่เนี่ยยมเลิกบุหรี่ยมก็มีความสุขแล้วไม่ต้องแม่อัตมาเป่ากระหม่อมหรอกยอมก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่เกี่ยวกันนะบุหรี่ไม่เกี่ยวกัน น, นะอยากให้หลวงพ่อเป่ากระหม่อมให้มันมีความสุขหน่อยอะไรเงี้ยนะ <c ười> จากวิจารย์ก็บอกว่าโอ้ยอัตมาเป่าไม่ได้แล้วความสุขอันนี้นะเป่าให้ยมมีความสุขยมเลิกบุหรี่นะยมจะมีความสุข นะยมคนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอย่างเซาซีอยู่นัเนะ่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเออคนเราเนี่ยนะบางทีก็ไม่รู้นะสิ่งที่เราติดนะซึ่งมันเป็นความทุกข์นะคิดว่าการได้สุขบุรีนะมันได้คลายเครียดนะมันได้สบายนะเป็นความสุขแต่หารู้ไม่ว่าตรงนั้นละ่ะมันเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ย นะ่ต้องหมกมุ่นอยู่กับมันเศรษิติอยู่กับมันนะ่มันไม่ได้เสียเฉพาะ เ, าเรื่องร่างกายนะจิตใจมันก็เสียด้วยนะเรียกว่าไม่เป็นอิสระนะยิ่งตอนนี้บุรีนี่ว่าไปแล้วก็เป็นสิ่งที่อมองในระยะยาวเนี่ยมันก็มีผลที่ทําให้เกิดโรคภัยใก้เจ็บมากทีเดียวแต่ตอนที่เราแข็งแรงอยู่แล้วอาจจะยังไม่รู้สึกนะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เป็นตัวอย่างเนาะ ในการที่เราติดแล้วเราไม่รู้นะเราไม่รู้ตัวนะเรายังเสพติดกันต่อไปนะหรือเรื่องเดี๋ยวนี้มันมี เ, เครื่องดื่มหลายชนิดนะออกมาทำให้เราติดนะเครื่องบำรุงกำลังอะไรทั้งหลายเนี่ยนะตอนนี้เขาบอกว่าธุรกิจนเนี่ยมีคนทำกันเยอะนะกำไรดีมากว่าต้นทุนมันนิดเดียวมันมียากระตุ้นประสาทยอยู่นิดหน่อยกินแล้วก็สดชื่นนะมีแหงขึ้นมา ซนะึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งเสพติดเหมือนกันเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีสิ่งเสพติดเยอะแยะนะถ้าเราไม่รู้เท่ารู้ทันนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องเสียงเงินเสียทองไปมากมายนะแล้วก็ชีวิตของเราก็จะไม่เป็นอิสระเท่าไหร่นะแทนที่เราจะได้กินอาหารที่มีคุณค่านะเราก็ไปกินสิ่งที่มันไม่ค่อยมีคุณค่านะ ซึ่งตรงนี้ทำให้เราเสียงเงินเสียทองไปมากมายนะแล้วก็ทำให้เราติดนะเราเลิกไม่ได้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเอา่อไม่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นการที่เราให้รู้เท่ารู้ทันจิตใจของเรานะรู้เท่ารู้ทันอารมณ์ของเราเนี่ยสิ่งข้างนอกนะจะไม่มีทิพลเลยการที่สิ่งข้างนอกมีทิพลเพราะว่าใจเรายอมนะเรายอมไปเราทำอะไรไปตามใจตัวเราเอง นะการทำตามใจตามใจในที่คือตามกิเลสนะตามความเคยชินนะที่มันจะสนองนะถ้าไม่ได้มันก็รู้สึกดิ้นรนรู้สึกหงุดหงิดนะรู้สึกไม่สบายใจนะตรงนี้เพราะว่าทำใจไม่ได้วางใจไม่ได้นะตรงนี้เพราะว่าเสพติดไปละนะเรียกว่าไม่มีอิสระนะเพระาะฉะนั้น ในการที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติตัวเราเองนั้นนะเราก็ไม่ใช่ว่าจะยินดีเพียงแค่ความสุขเล็กๆน้อยๆนะการได้ทําประโยชน์ส่วนรวมก็เป็นเรื่องดีนะเป็นความสุขที่ได้จากการช่วยเหลื อ, อสังคมนะแต่ว่าความสุขชนิดนี้เนี่ยนะมันก็ยังไม่ยั่งยืนนะเราจะต้องแสวงหาความสุขที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะก็คือความอิ ส, อสระ นะอิสระทางใจอิสระภาพทางใจเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เราผ่านนะการฝึกฝนอบรมตัวเราเองผ่านอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะจะเป็นความง่วงความเบื่อความงดหงิดความรำคาญนะซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราได้เคยชินกับมันนะหรือเราไม่รู้เท่าทันมันอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันจะ คล้ายๆมันจะชักนาให้เราเนี่ยขวยออกไปนะขวยออกไปจากสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนะอย่างเช่นเราตั้งใจจะเดินจงกรมจะสร้างจังหวะนะจะมีสตินะในชีวิตประจำวันแต่บางทีมันก็ชวนให้เราขวอยออกไปนะไม่ทำละนะตรงนี้เรียกว่าเป็นกลลวงนะก ล, ลวงของกิเลสนะหิืของพยามาร น, นะที่จะไม่ให้เราลอดพ้นจากอานาจของเขา เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยสติปัญญาที่แหลมคมนะที่คมชัดนะที่ได้จากการฝึกฝนนะอย่างต่อนเนื่องจึงจะเห็นเล่ห์เหลี่ยมเหล่านี้นะถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเนี่ยนะเราก็จะไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นความละเอียดอ่อนนะที่เราจะต้องอาศัยการกระทำอย่างต่อนเนื่องเพราะนั้นเครื่องมือเรามีอยู่แล้ว นะเครื่องมือในการที่จะให้รู้เท่าทันก็คือสติหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะสติและปัญญานะที่จะมาพร้อมกันนะซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการกระทำที่ต่อเนื่องไม่ใช่ทําเฉพาะในรูปแบบการเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะแต่ว่าให้เรามีความรู้สึกตัวในกิจวัตรประจาวันนะพยายามฉวยโอกาสนะไม่ต้องรอโอกาส นะเรียกว่าฉวยโอกาสทุกเวลานาทีนาทีที่เราลืมตัวไปก็กลับมารู้สึกตัวใหม่แต่ตรงนี้เนี่ยก็ให้ให้วางใจสบายๆนิดหนึ่งนะอย่าไปเคร่งเครียดจนตึงนะตึงเคร่งเครียดมากๆบางทีมันก็ทำให้เราทอมอนกันลนะทำให้เราเบื่อมอนกันนะคนที่มาปฏิบัติใหม่ๆจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนะ เราก็ต้องอาศัยกรยนานมิตรช่วยเชียร์ช่วยชักชวนอาศัยได้มาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่พูดที่คุยหรือ ก, รกรารยานมิตรทีช่ชักชวนกันชักจูงกันไปในทางที่ดีขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้มันจะต้องอาศัยชุมชนนี่แหละเรื่องอาศัยสังคะการที่เรามาอยู่วัดป่าสุขกโตก็ถือว่าได้มีสิ่งแวดล้อม ก็คือสังฆะหรือชุมชนนะทำให้มีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะอย่างในกรณีของกลุ่มเนี่ยมีบางคนนะยังหนุมน่มๆสาวๆอยู่เลยนะเดินสักหน่อยไม่ไหวแล้ว ง, ง่วงแล้วโอ้แต่ไปเห็นคนแก่เขาเดินโอ้เราก็มีกำลังใจขึ้นมานะเอะเราท้อไม่ได้เห็นคนแก่เขาเดินเราก็ต้องเดินได้นะเนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมนะที่ช่วยให้เราเนี่ยมีกําลังใจนะในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะตรงนี้เนี่ยถ้าเราทําเองคนเดียวบางทีมันก็เหงาว้าเวนะบางทีมันก็ท้อแท้มือนกันในบางครัง้งบางโอกาสนะเพราะฉะนั้นการมาอยู่ที่นี่นะสิ่งแวดล้อมก็ดีทำที่เราได้ยินก็ดีนะเพื่อนศาธร ม, มิกก็ดี นะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ดีเนี่ยทำให้เรามีโอกาสนะในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองการที่เราจะเจริญสติอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะทาได้อย่างเต็มที่นะออกพรรษาไปแล้วต่างคนก็ต่างไปแล้วนะเราไปอยู่ในโลกเนี่ยโอกาสหรือในสังคมเนี่ยโอกาสที่จะอยู่อย่างนี้เนี่ยคงจะได้ยากนะพะนันช่วงเวลาที่เหลืออีกประมาณเดือนเศษๆเนี่ยนะขอให้เราได้อ่อ ตั้งใจเนาะในการที่จะใช้เวลานะกับการที่จะฝึกฝนอบรมเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไปปฏิบัติเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเนี่ ย, ไ ป, ป ไ, ย, ยไปอบรมตนเองอย่ายให้ฟังแบบผ่านๆไปนะแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะยังติดอะไรเหมือนเดิมนะยังขี้งดหงิดเหมือนเดิมยังโกรธเหมือนเดิมนะยังเรียกว่าอ่อนแอนะ กับอารมณ์ต่างๆกับความคิดต่างๆนะเรียกว่าไม่สามารถที่จะฝ่ า, ฝาด่านของกิเลสไปได้นะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะน่าเสียดายนะถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับการฝึกฝนอบรมตนเองนะให้สมกับที่นี่เนี่ยเป็นสถาบันสติปัฏฐานนะเป็นสถาบันที่จะเอื้อประโยชน์เอื้ออำนวยให้โอกาสนะกับทุกคนได้มา เรียนรู้ตนเองปลดปล่อยตนเองนะออกจากกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆนะสิ่งที่เรายึดติดนะเพื่อที่จะได้เป็นอิสระนะการเป็นอิสระนี่คือเป็นอิสระทางใจนะอิสระจากกิเลสตัณหาอุปทานนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตกตะกอนนอนก้นนะอยู่ในใจของเรานะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาก็ไม่รู้นะพอมาถึงวันนี้เนี่ย นะเราก็มีหน้าที่หน้าที่จะขุดเกลา้านะสิ่งเหล่านี้นะให้มันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยก็เป็นความหวังนะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราไม่เพียงหวังเพียงแค่ให้มีความสุขเล็กๆน้อยๆจากการให้ทานการรักษาศีลเท่านั้นแต่เราต้องตั้งความหวังว่าจะมีความสุขนะที่เป็นอิสระนะจากกิเลสนะซึ่งเป็น ความหวังสูงสุดนะในพุทธศาสนานะเพราะนั้นการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นโชคเป็นลาภจริงๆนะเป็นโอกาสพิเศษเลยนะถ้าเราปลดปล่อยโอกาสนี้ไปไม่รู้จะมีโอกาสไหนอีกนะบางคนไปหวังเอาอมไม่เป็นไรเดี๋ยวชาติหน้าค่อยว่ากันนะชาตินี้ก็ใช้ชีวิตสมเร็จเอาไปก่อนอะไรอย่างนั้น อันนี้ก็เรียกว่าคนประมาทหรือบางคนยังหนุ่มอยู่นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้แก่ก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะปลดปล่อยภาระทางครอบครัวก่อนนะบางคนก็ตายเสียก่อนก็มีนะอย่างเห็นคนแก่มาปฏิบัติอัตมาเวรแล้วโอ้ยลำบากปวดนั่นปวดนี่ปวดเขา่าปวดเอวหูไม่ดีฟังไม่ออกอะไรเงี้ยโอ้มันน่าเสียดายมากก็เลยบอกคนปฏิบัติว่าเนี่ยนะ เนี่ยเป็นตัวอย่างนะเราไปรอแก่รอเท่าเนี่ยมันก็ประมาทไปแล้วเพราะนั้นทําวันนี้นะทาวันนี้นะมีสติมีความรู้สึกตัวฝึกฝนเสียแต่วันนี้ทําเสียแต่วันนี้อย่าไปรอนะวันข้างหน้านะท่านดาลไพลามาบอกว่ามีวันสองวันซึ่งเราทําอะไรไม่ได้เลยคือเมื่อวานกับพรุ่งนี้แต่สิ่งที่เราทาได้คือวันนี้นะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ เราควรที่จะตันหนักนะในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้เป็นเวลาแห่งการภาวนานแห่งการเจริญสตินแห่งการพัฒนาให้จิตใจของเรานะเป็นอิสระนะสู่อิสรภาพทางใจนะซึ่งตรงเนี้เป็นเรื่องที่ <c oughs> จะเป็นอนิสงสนะ์ของการที่เราได้มาอยู่จําพรรษานะแล้วก็จะได้ติดเนื้อติดตัวออกไปนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเชิญชวนชักชวนพวกเราเนาะที่ได้มาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระสีรัตนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเวลานาที นะและพระสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินะการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยความเพียรความพยายามความตั้งใจนะก็ขอให้ทุกท่านนะได้สัมผัสกับจิตที่เป็นปกติซึ่งเป็นอิสระจากกิเลสนะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ชาวพุทธเราควรจะไปให้ถึงให้ได้ในเร็ววันนี้โดยทั่วกันเถิดเจริญพร